การที่เรามีเวลาได้อยู่กับตัวเองมันก็ได้ทบทวนอะไรหลายๆอยา่างแต่ก่อนที่จะมาทบทวนอันที่เรามาทำความสงบให้มันเกิดขึ้นกับจิตใจมันก็เป็นพื้นฐานก่อนที่เราจะคิดพิจารณาอะไรก็แล้วแต่ ถ้าใจเรามันสงบใจเราไม่วุ่นวายไม่สับสนมันก็ช่วยจัดระเบียบความคิดของเราให้เป็นความคิดที่ดีมีประสิทธิภาพแต่ถ้าใจของเรามันวุ่นวายติ้นรนร้อนรนความคิดความอ่านของเรามันก็ไม่เป็นระเบียบอาจจะพลาด ตรงนั้นพลาดตรงนี้พลาดง่ายาเพราะฉะนั้นอารมณ์ในใจมันก็มีผลกับความคิดความอ่านมุมมองของเราบางทีเขาอาจจะมีความคิดที่ว่ า, เ, าเราคิด แล้วเราก็จะได้ปรับสภาพอารมณ์แต่เราก็มีวิธีที่เราจะปรับสภาพจิตใจของเราตรงตรงอยู่แล้วโดวยการที่เราเอาใจมาไว้ที่ลมหายใจมีสติที่ลมหายใจหรือจะอยู่กับคำบริกรรมพุทโธก็ได้ วิธีการก็มีต่างๆหลายอย่างพอเราทําความสงบให้กับจิตใจได้ทีนี้เราก็ลองทบทวนดูว่ามันเป็นยังไงบ้างอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีคำถามต้องเคยถามกับตัวเองบ้างแหละว่าเออที่เรา เกิดมาเป็นคนแบบนี้เนี่ยมันเกิดมาแล้วอย่างไงเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรแล้วสาระแกนสารสำคัญมันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าปราศจากความสงบใจเรายังวุ่นวีวุ่นวายอยู่ใจเรามันยังมีอารมณ์ติดค้าง จากอดีตที่มันทับถมมาอยู่แน่นอนมันก็ต้องทำให้เราคิดไปในสิ่งที่อารมณ์มันยังยึดติดอยู่อารมณ์มันยังยึดติดเรื่องงานอารมณ์มันยังยึดติดเรื่องคนรักต่างๆอันนั้นมันก็จะทำให้เราเห็นว่ามันเป็นของมีแก่นสารเป็นของมีสาระกระพาให้เราคิดไปแบบนั้น แต่ถ้าเกิดเราได้ทําความสงบให้กับจิตใจเราก็จะเห็นถึงตั้งแต่เกิดมาของคนในอดีตไม่ว่าจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นทวดเนี่ยมันก็มีแพทเทิร์นที่มันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ จากเด็กเล็กโตมาก็ศึกษาเรียนรู้หาความรู้เพื่อที่จะมาประกอบอาชีพเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเสร็จแล้วก็มีครอบครัวมีลูกมีเต้าแล้วก็แก่ก็เลี้ยงหลาน เล่งล้านเก่มากๆอะถึงคราวที่จะหมดอายุแหละอายุไขก็หมดลงก็ตายอันนี้มันก็เป็นแพทเทิร์นความจริงที่แท้ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนมันเป็นแบบนี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตาม มันก็เป็นแบบนี้แหละจะเป็นคนไทยก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันจะเป็นฝรั่งอินเดียมันก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันไม่มีใครที่จะอยู่ค้างบนโลกสุดท้ายมันก็ตายหมดยัง เวลาที่เราไปขุดตรงนั้นขุดตรงนีอ้อย่างไปบ้านเชียงเนี่ยขุดไปก็เจอกระดูกขุดไปเจอกระดูกคนเนี่ยสมัยไหนก็สมัยน้นยาวนานไกลแต่ก็ยังพอเป็นหลักฐานหลงเหลือให้เราเห็นอยู่ว่าไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหน มันก็ตายเกลี้ยงไม่มีใครที่จะอยู่ยั้งยืนคำฟ้าแม้แต่คนที่ดีเลิรประเสริฐอย่างองค์สมเด็จ พ, พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ตามก็ถึงวาระที่จะต้องดับขันปรินิพานเหมือนกันพูดง่ายภาษาชาวบ้านก็ตายเหมือนกัน พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็มีคำถามว่าเอา้าแล้วสาระแก่นสารในการเกิดมาเพื่อเพื่ออะไรเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำงานหรือว่าเกิดมาเพื่อจะมีครอบครัวแล้วก็ตายอย่างนั้นเหรอแล้วก็ดูมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมบลในการเกิดมาเท่าไหร่ เกิดมาเพื่อทำแค่นี้เหรอสุดท้ายมันก็เวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนี้แหละถ้าเรายังคิดว่าสาระแก่นสารมันมีอยู่แค่นั้นคนที่เกิดมามันก็มีเหตุให้มันเกิดใช่ไหมล่ะเกิดมามันก็ตายทั้งนั้น แต่พอเราเข้าไปในวงจรของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆโน่นนี่นี่นั่นที่มันหลอกล่อให้เราหลงหลงไปในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปอย่างบางคนทํางานทํางานก็มีความเจริญก้าวหน้ามีมีสตดุ้งสตดางมากขึ้น มันมีสตางค์มากขึ้นก็เอาไปใช้บางคนก็เอาไปใช้กับการกินบางคนก็เอาไปใช้กับการตกแต่งประดับประดาถ้าเราคิดว่ามันเป็นสาระแก่นสารเราก็ทุ่มทุ่มเทกําลังแรงกายแรงใจของเราไปทางนั้นนละคนเราเวลาหลงมันก็หลงไปแบบนั้น อันนี้มันก็ยังเป็นภาพรวมๆนะอย่ามงคนหลงไปในเรื่องอะไรเรื่องการอาจจะเป็นในเรื่องของความรักในเรื่องของรูปร่างหน้าตามีคนเดียวไม่พอก็ต้องมีสองคนมีสามคนสี่คนกันไปอันนั้นก็ยิ่งแล้วใหญ่ทำไปมันก็มีทุก์มีโทษ เพรฉะนั้นการที่เรามาทําความสงบแล้วค่อยๆไคร้ครวนค่อยๆพิจารณาดูว่าที่ผ่านๆมาสาระสําคัญที่เราเห็นว่ามันสําคัญมันสําคัญจริงๆหรือเปล่าคอยบอกใจคอยสอนใจว่ามันสําคัญมากน้อยแค่ไหนสําคัญขนาดที่อยู่ในระดับของ เฉพาะชาตินี้หรือว่าสำคัญในระดับที่ข้ามภพข้ามชาติกันไปได้ซึ่งถ้เกิดว่ามันไม่ได้มีสาระขนาดที่มันจะต้องนำนำไปข้ามพบพข้ามชาติกันได้เราก็อย่าอย่าตามใจมากอย่าตามใจอย่าตามกิเลสในใจตัวเองมากจนเกินไป แล้วสิ่งที่สิ่งที่ดีในภพนี้แล้วก็นำไปพบหน้าด้วยมันก็คือบุญกับบาปของเราเใครสั่งสมบุญไว้มากมันก็โอกาสที่จะไปสุขติก็มีมากแต่ใครสั่งสมบาปอากุศลไว้มากโอกาสที่จะไปทุกขติก็มีมากแต่พอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ย คนที่เขาไม่ได้พิจารณาคนที่ไม่ได้ฝึกหัดอบรมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอาจจะเชื่อยากก็ได้หรืออาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้แต่ถึงจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามความจริงของโลกใบนี้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป การที่เราเกิดมาแล้วเรามีอวัยวะครบ32ก็แสดงว่าเราทำบุญมาดีอย่างบางคนเกิดมาเนี่เป็นโปลิโอก็มีบางคนเกิดมาพิการก็มีหรือบางคนอาจจะมีอวัยวะแข็งแรงดีแต่พิการทางสมองก็มีมันก็เป็น วิบากของกรรมที่มันส่งผลนัล่นแหละเพราะฉะนั้นเราสั่งสมอะไรไว้มันก็มันออกดอกออกผลแน่นอนอย่างบางคนถ้าเราอาจจะเคยเห็นนะ่บางเคสที่อยู่ดีๆปุบปรับตายเป็นคนดีทำไมทำไมไม่น่า จะตายแบบนี้ก็มีเยอะแยะเายกตัวอย่างอย่างในพระไตรปิฎกก็มีใช่ไหมอย่างท่านพระมหาโมคลานะมีคุณงามความดีมีความสามารถถึงขนาดเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้เลิดไปด้วยฤทธานุภาพสุดท้ายเวลาตายนี่โดนโจรทุบตาย ขนาดมีฤทธิ์มากก็ยังหลีกเลี่ยงผลของกรรมที่ตนเคยทำไว้ในอดีตไม่ได้เพราะท่านพระมหาโมคคลานะปรินิพพานแล้วเน่ข่าวประสัพัไปแลว้วโอ้ท่านโดนโจรฆ่าตายนะหมู่ภิกษุทั้งหลายก็โจ์กันคุยกันฟุ้งกันไปเลย จนเขาก็สรุปกันว่าอ๋อทำไมเป็นคนดีขนาดนี้ถึงเวลาตายมันไม่เห็นสมควรกับกับความดีความเลิศความประเสริฐของของท่านเลยพอพระพุทธเจ้าท่าน ท, านทราบท่านก็จะมาแก้ความสงสัยตรงนี้นะก็เลยเดินมาถามว่าอ้าเธอคุยอะไรกรัน ก็ได้กราบทูลถวายไปว่าพระมหาโมคลานั่นเนี่ยดูสิเป็นถึงพระอรหันตสาวกมีความดีความงามมากมายมีฤทธานุภาพมากแต่สุดท้ายทาไมถึงโดนโจรทุบตายได้ในวาระสุดท้ายของชีวิตการตายแบบนี้นี่ไม่เห็นสมควรกับตำแหน่ง พะระอัครสาวกหรือคุณงามความดีที่ท่านมีเลยพระวพระเจ้าก็บอกว่าสิ่งที่พวกเธอพูดมามันก็ถูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยการตายแบบนี้เนี่ยถ้ามองในชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยก็ไม่สมควรแต่จริงๆแล้วมันก็สมควรแก่แก่เขาแล้วนะเพราะว่าเขาก็ทำกรรมเอาไว้ สมควรแก่กรรมนั้นแล้วที่จะจบชีวิตแบบนี้ก็เลยได้ตรัสเล่าถึงอดีตชาติของพระมหาโมคคลานะที่ได้ทำมาตุค่าไปตุค่าไปก็คือได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ นอกจากจะไปสวยผลกรรมในเอเวจีมหานรกแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นเศษกรรมที่ยังเหลืออยู่ใช้คาว่าเศษกรรมก็จะเห็นว่าแค่เศษเล็กๆน้อยๆนี่มันก็ถ้าถ้าเราดูเรามองมันก็ดูมันก็ดูหนักอยู่พอสมควรแต่ความเป็นจริงมันก็เป็นเศษกรรมเนี่ ย, ยถ้าเอาความทุกข์ที่ได้จากการโดนฆ่าตายแบบนี้ ไปเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่เราได้รับผลในอเวจีมหานรกนี่มันก็อย่าใช้คำว่าเปรียบเทียบเลยมันเทียบกันไม่ได้คนที่มีปัญญาคนที่มีศรัทธาเขาก็จึงจึงไม่ประมาทไม่ประมาทในการใช้ชีวิตอย่าง คนสมัยนี้ก็อันเป็นยุคสมัยของวิทยาศาสตร์จะบอกว่าคนนับถือศาสนาน้อยลงก็ใช่แต่ถ้าจะบอกว่าไม่มีศาสนาก็เหมือนจะใช่แต่สุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่มีศาสนาก็ตามเนี่ยเขาน่าจะใช้คำว่านับถือศาสนาวิทยาศาสตร์ซะมากกว่า ก็คืออะไรที่พิสูจน์ไม่ได้เขาก็ไม่เชื่อนะโดยเฉพาะอะไรที่ไม่สามารถที่เห็นได้ด้วยตาไม่ได้ได้ยินด้วยหูไม่ได้สัมผัสด้วยร่างกายอันนี้เขาก็ยังไม่ลงใจเชื่อแต่ถึงจะไม่ลงใจเชื่อก็ยังแบ่งได้อีกทั้งสองอย่างไม่ลงใจเชื่อแล้วก็ประมาท ทำอะไรก็ได้กลุ่มหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ลงใจเชื่อแต่ก็ยังไม่ประมาทศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นศาสนาที่เขาเรียกว่าประกาศเรียกให้มาพิสูจน์เหมือนกันนะเอหิเอหิเอหิปัสสิโก ให้ร้องเรียกเข้ามาดูเอหิไปว่า ม, ามามามาดูมาดูให้มาพิสูจน์แต่แน่นอนแหละเราก็คงจะไม่ได้พิสูจน์คำสอนทั้งหมดทั้งมวลที่พระองค์ทรงแสดงแจกแจงเอาไว้ได้ ถึงแม้ว่าความรู้ที่พระองค์ทรงแสดงออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงทราบพระองค์ก็ทรงแสดงเอาไว้ว่าวันหนึ่งก็หยิบใบไม้เนี่ยใบไม้ในป่ามากํามือหนึง่งนะแล้วก็ได้ถามว่าอพวกเธอเห็นใบไม้ในป่านี้ไหมเห็นพระเจ้าข่า แล้วเห็นใบไม้ในกํามือของเราไม้มเห็นพระเจ้าข้าแล้วเธอว่าแบบอันไหนมันเยอะกว่ากันใบไม้ในป่าเยอะกว่ามากเมื่อเทียบกับใบไม้ในมือพระเจ้าข้าพระองค์ก็ได้ทรงบอกว่าความรู้ที่ที่พระองค์ทรงรู้เนี่ยมีมากเปรียบเหมือนกับ ใบไม้ในป่าแต่ที่พระองค์ทรงนำมาแสดงก็เพียงเล็กน้อยเท่านี้แหละเปรียบเทียบกับใบไม้ในกามือฟังเท่านี้อาจจะรู้สึกอ้าวทำไมเป็นแบบนั้นละ่ะมันมันดูแบบกักกักนันหรือเปล่าแต่จริงๆคือไม่ใช่เลย คือความรู้ที่พระองค์ทรงรู้เนี่ยมีมากมายคือเป็นสัพพัญญูรู้ทั่วรู้ทุกอย่างรู้ในเหตุทุกอย่างรู้ในผลทุกอย่างแต่ด้วยความเร่งด่วนความเร่งด่วนความเร่งรีบคือถ้าลองคิดดูว่าคนเราเนี่ยอายุมันก็ร้อยปีเป็นประมาณตตอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นั่นก็ เท่าไหรล่ละ29่บกวก6ก็เป็น35าใช่ไหมสามาตีว่าลบไป100จาก100ลบไปก็เหลืออีก65 65ปีกับความรู้ที่มันมากมายมหาศาลที่หลายเรื่องหลายราวพูดไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นมันจึงต้องคัดสรรเอาที่จำเป็น เอาวันที่มันดีแล้วก็ทรงได้คัสสรรมาแล้วนะว่าอะไรที่มันจาเป็นกับหมู่มวลมนุษย์หมู่เทวดาหมู่พรหมสิ่งที่มันสำคัญจำเป็นก็คือทางออกจากทุกข์ไงความรู้ที่มันเกี่ยวกับทุกข์ว่าอะไรมันเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์ อะไรเป็นความดับของทุกข์อะไรเป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เพราะว่าไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าเทวดาหรือพรหมล้วนแล้วแต่ต้องการที่จะไม่มีทุกข์ทั้งนั้นแหละโดยธรรมชาติของหมูสัตว์ก็คือรักสุขเกลียดทุกข์ แต่วิธีที่จะแก้ทุกข์ให้มันถูกต้องให้มันพ้นจากความทุกข์แบบที่พ้นแล้วมันไม่กลับกำเริบขึ้นมาอีกยังไม่มีคำสอนอันนั้นแสดงไว้บนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องเร่งด่วนคือเรื่องที่จะต้องแสดงให้มาก แจกแจงให้ละเอียดอย่างในสมัยนั้นเนี่ยมันก็มีคนหลากหลายประเภททั้งคนที่เป็นในฝ่ายที่นับถือเป็นสาวกของพระองค์ก็ต่างแล้วก็เป็นพวกาศาสนาอื่นก็ต่างบางครั้งก็มีการ มาถามพระพุทธเจ้าด้วยเห็นบางทีก็มาถามอ่าเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเช่นตอนนั้นาก็เถียงกันอา้าวสันฐานของโลกมันเป็นยังไงก็เถียงกันหาข้อสรุปไม่ลงตัวเขาก็อ้าพระพุทธเจ้านี่เป็นสัพพัญยูนี่รู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างถ้ากําหนดดูแล้วนี่รู้แน่นอนว่ามันเป็นยังไง จริงแท้แน่ก็ยกพวกกันมาถามมาถามพระพุทธเจ้าว่าเอาสันฐานของโลกเนี่ยมันเป็นยังไงมันกลมไหมมันแบนไหมหรือมันยังไงมีสันฐานแบบไหนมาใจจริงาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยากตอบเท่าไหร่นะเพราะมันตอบไปเขาก็พิสูจน์ไม่ได้อยู่ดีแต่ก็ได้ทรงแสดงไว้เขาหยิบผลมะขามป้อมมาผลหนึ่ง บอกเธอเห็นมะขำป้อมนี้ไหมล่ะสันฐานของโลกมันก็เหมือนกับมะขาป้อมนี่แหละในมือเราคือนี้มันก็ชี้เห็นถึงว่ามันไม่ใช่ความรู้ทางด้านจิตใจอย่างเดียวที่พระองค์ทรงรู้ทรงทราบแต่ก็อย่างที่บอกไปคือพระองค์เป็นสัพพัญญูรู้รู้ทุกอย่างสัพพันธะ์ทั้งปวงนะ คือรู้ทุกอย่างกําหนดดูก็รู้ได้ว่ามันเป็นยังไงความจริงตรงนั้นคืออะไรแต่ก็อย่างที่บอกไปมีพระสูตรหนึ่งท่านก็แสดงเอาไว้ว่าอะไรบ้างที่พระพุทธเจ้าจะตอบอะไรบ้างที่พระพุทธเจ้าไม่อยากตอบไม่ตอบเขาก็สรุปลงในพระสูตรนั้นคร่าวๆนะว่าโลกมีมีไหมโลกหน้ามีไหม ชีวิตนี้มีไหมชีวิตหน้ามีไหมเหล่านี้เป็นต้นนะพระเจ้าก็สรุปว่าเรื่องเหล่านี้ไม่อยากตอบไม่ตอบแล้วเรื่องอะไรที่พระพุทธเจ้าขนขวายที่จะตอบให้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับทุกข์เรื่องที่เกี่ยวกับเหตุเกิดของทุกข์เรื่องเกี่ยวกับความดับของทุกข์แล้วก็ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกสี4อย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงความขวนขวายที่จะตอบให้เพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องจำเป็นต่อหมู่สัตว์เพราะการที่เรายังไม่รู้ความจริงเหล่านี้ไม่รู้ความจริงประเภทนี้เราก็ ไม่สำเร็จวัตถุประสงค์ของเราสักทีหนึ่เพราะว่าวัตถุประสงค์ของหมูสัตว์ก็คือรักสุขเกลดทุกข์ใช่ไหมก็อยากที่จะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นก็จึงทรงเน้นเรื่องพวกนี้แหละเน้นที่จะแสดงทางที่จะนำพาหมูสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้ซึ่งทางดำเนิน พระพุทธเจ้ก็ตรัสเอาไว้ว่ามีแค่ทางเส้นเดียวนะมีทางมากมายหลายอย่างหลายแนวแต่สุดท้ายมีแค่เส้นเดียวเท่านั้นแหละที่มันจะพาให้คนที่เดินบนเส้นทางสายนี้ได้ไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์ได้ทางสายนี้ท่านก็ให้ชื่อว่า อริยะอาาัตถังขิฆมักก็คือทางที่เรียกว่าอาริยมักมีองแปดซึ่งถ้าจะพูดให้มันย่อลงมาสักหน่อยจากข้อมันก็เหลือ3แบบก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาถ้าขโมดกันให้สั้นให้เราพอจำเป็นได้ง่ายก็คือ3อย่างนี้เลย ศีนสมาธิปัญญาอันนี้ก็ย้อนกลับไปหน่อยอันนี้ก็ออกมานอกเรื่องนอกราวเยอะก็ย้อนกลับไปตรงที่ว่าคนคนเราก็เดี๋ยวนี้เชื่อแต่ในสิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่หูได้ยินสิ่งที่สัมผัส แต่บางครั้งสิ่งที่ตาเห็นมันก็บางครั้งเราไม่ได้เห็นทั้งหมด น, นนะเห็นแค่บางช่วงบางตอนแล้วเราก็สรุปว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือสิ่งที่ได้ยินบางครั้งเราก็พิสูจน์ไม่ได้หรอกว่ามันเรื่องจริงเรื่องไม่จริงหรือเป็นสิ่งที่อาอยจะบางคนพูดกันเนี่ยถ้าพูดโกหกหรือพูดจริงเราก็ไม่รู้แ่ะ เพะฉะนั้นมันก็ต้องพิสูจน์คำคำสอนคำแสดงต่างๆมันต้องทนต่อการพิสูจน์ให้ได้คำพูดของคนก็เหมือนกันเขาจะพูดว่าเขาถูกเขาไม่ดีหรือคนนั้นเป็นยังไงแบบนี้แบบนั้นสุดท้ายก็ต้องใช้เวลาเป็นตัวพิสูจน์มันต้องทนต่อการพิสูจน์ใช้ระยะเวลา แต่คนเราสมัยนี้อาจจะใจร้อนไปหน่อยอยากปุ๊บก็อยากได้ปับ๊บคิดปุ๊บอยากได้ปั๊บนี่บางครั้งบางอย่างเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มันเป็นยุคสมัยที่คนรอคอยไม่ค่อยเป็นพออยากได้เร็วๆมันก็ผิดพลาดกันง่ายๆซึ่งบางครั้งบางเรื่องบางราวบางอย่างมันต้องทนพิสูจน์ ไม่ใช่แค่สามวันห้าวันบางทีเป็นปีห้าปีสิบปีก็มีฉะนั้นมันก็กำลังจะบอกว่าถ้าเราพูดในคำสอนเกี่ยวกับเรื่องนรกเอยสวรรค์เอยผีเปรตเทวดาเหล่านี้มันก็เป็นคำสอนที่ถ้าคนสมัยใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยเข้า ไม่ค่อยเข้ากันได้กับคำสอนลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็เชื่อเชื่อแล้วก็พยายามทําที่จะไม่ให้พาตนไปในโซนของบาปอากุศลเพราะว่ามีนรกมีทุกขติภูมิรออยู่เบื้องหน้าแต่คนสมัยนี้ก็อาจจะไม่เคยเห็นนี่ สวรรค์เป็นยังไงก็ไม่เคยเห็นนรกเป็นไงก็ไม่เคยเห็นเทวดาก็ไม่เคยเห็นเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็ก็จะมีบางส่วนที่คิดว่าเพราไม่มีเพราะไม่เคยเห็นแล้วก็ทําอะไรก็ได้ทําบาปอับปุสนก็ไม่เป็นไร สุดท้ายพอมันไม่เห็นมันคิดว่ามันไม่มีมันก็สรุปเหมาว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันตายแน่นอนแต่สุดท้ายก็ตายแล้วก็ตายศูนย์ไปชาติหน้าก็ไม่มีชาติก่อนก็ไม่มีแต่สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าความจริงของธรรมชาติบนโลกใบนี้มันมีอยู่ถึงเราจะปฏิเสธยังไงก็ตามมันก็มีอยู่มันไม่ได้หายไปไหน อย่างสมมติว่าเราปฏิเสธว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นทางทิศตะวันออกมันขึ้นทางทิศเหนือเราจะพูดให้ตายยังไงพระอาทิตย์มันก็ขึ้นทางทิศตะวันออกนั่นแหละถึงเราจะปฏิเสธเราไม่เชื่อยังไงว่ามันไม่ได้ขึ้นทางทิศตะวันออกมันก็ขึ้นทางทิศตะวันออกความคิดความเชื่อกับความเป็นจริงถ้ามันไม่ได้สอดคล้องกันเนี่ย มันก็นำผ่าชีวิตให้ยุ่งยากเพรา ะ, ะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยคือไม่ได้แสดงอะไรมากพยายามแสดงว่าความจริงมันคืออะไรแล้วใจของเราก็ให้เข้าใจกับความจริงนั้นๆอย่าไปค้านอย่าไปอย่าไปฝืนกับความเป็นจริงที่มันมีพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ รกมีสวรรค์มีบาปมีบุญมีชาติมีชาติที่แล้วมีชาติหน้ามีเอาเราพิสูจน์ไม่ได้เราก็ยกไว้ก่อนแต่เราก็ต้องเป็นอยู่ในกลุ่มที่ถึงยังไม่มีความรู้ความสามารถที่จะพิสูจน์ได้เราก็ไม่ประมาทหมายความว่าเราก็เลือกได้เนี่เลือกทำในแบบที่ถึงจะพิสูจน์ไม่ได้แต่เราไม่ประมาทเราก็พยายามที่จะ ไม่ทําไม่ดีเพราะว่าเราเห็นนะถ้าทําไม่ดีก็ไปทุกขติถ้าทําดีเราก็มีโอกาสไปสุกติใช่ไหมกับการที่ว่าเราประมาทปุ๊บเราทําอะไรก็ได้ ท, ทําบาปอกุศลก็ได้อันนี้มันก็ทําให้ถ้าเราเลือกถึงแม้จะพิสูจน์ไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นคนไม่ประมาทอย่างน้อยที่สุด ทางเดินของเรามันก็จะปลอดภัยแม้ที่สุดสมมุติว่ามันไม่มีจริงๆก็ไม่ได้เสียเปล่าอะไรแต่ถ้าเกิดไม่เชื่อปฏิเสธแล้วเกิดมันมีขึ้นมานี่ก็ถือว่าขาดทุนไปเยอะคือพี่พูดมานี่ไม่ได้บอกว่าจะให้งมงายนะก็คือแน่นอนแหละในคำสอนบางอย่างบางเรื่อง มันก็มีทั้งส่วนที่เราสามารถที่จะมีความรู้พิสูจน์มันได้แล้วก็อาจจะไม่ได้มีเครื่องมือที่จะพิสูจน์มันได้ก็ยกไว้อย่างบางคนอ า, อาจจะมีความรู้พิเศษมีหูทิพย์ตาทิพย์ไปเห็นนรกเห็นสวรรค์อันนั้นเขาก็อาจจะพิสูจน์ได้ในส่วนนี้ ะความเชื่อมั่นในคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้ในส่วนนี้นี่เขาก็จะไม่สงสัยแต่ถ้าอย่างเราเราอาจจะยังไม่มีเครื่องมือพิเศษแบบนี้พิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปสงสัยมันสงสัยได้นะหมายถึงว่ามันมีจริงไหมสงสัยไปแต่ความสงสัยเนี่ยมันก็มีสองส่วน ที่มันจะรีสปอนส์กับเราสงสัยแล้วทำให้เราเป็นทุกข์กับสงสัยแล้วเราก็ไม่เป็นทุกข์กับมันเพราะฉะนั้นความสงสัยเนี่ยมันแก้ได้สองอย่างอย่างแรกคือแก้ด้วยความรู้ความเข้าใจอันหนึ่งซึ่งอันนี้มันก็เม e เซน s ์อยู่แล้วสงสัยก็ต้องหายมันรู้สิรู้เราจะได้ขายสงสัยอีกอันหนึ่งก็คือแก้ด้วยความไม่ต้องไปสงสัยมัน คือสงสัยอยู่แต่ก็ช่างมันอยู่ร่วมกับความสงสัยได้อย่าให้มันทําร้ายใจเราเป็นพอเพื่อง่ายก็ไม่ต้องพิสูจน์มันก็ได้เราก็อยู่กับมันได้พอพูดอย่างนี้ก็อาจจะงงๆนิดหนึ่งก็เหมือนเรื่องนรกสวรรค์เทว ด, ดาพูดผีอย่างนี้แหละมันไม่ใช่หลักใหญ่ใจความสําคัญเหมือนอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยพระพุทธองค์ทรงเน้น เกี่ยวกับคำสอนอะไรคำสอนเกี่ยวกับเรื่องทุกข์เรื่องเหตุเกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทางดำเนินนีถึงความดับไม่เหลือของทุกข์แล้วพระองค์ก็จะดีใจมากถ้าเกิดใครมาถามเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นดะเห็นว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับของทุกข์ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เนี่ยต้องบอกเลยว่าอันนี้พระพุทธเจ้าท้าให้คนมาพิสูจน์อ่ะท้าให้คนมาพิสูจน์ให้ลองเอาไปใช้ให้ลองเอาไปปฏิบัติแล้วมันก็จะได้เห็นผลว่ามันแก้ทุกข์ได้จริงไหมอันนี้อยู่ในเขาเรียกว่าเรื่องเร่งด่วน แล้วเป็นเรื่องที่เมื่อสงสัยต้องแก้ด้วยความเข้าใจทำให้มันทำให้มันถึงเหตุถึงผลน่ยแล้วมันจะได้เข้าใจแต่อย่างเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแบบนี้ไอ้ดาวอังคารมันมีไหมจักรวาลอื่นมีไหมมนุษย์โลกอื่นมีไหมอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าแม้แต่สวรรค์มีนรกมีหรือเปล่าเหล่านี้ สงสัยก็ช่างมันพิสูจน์ก็ได้ไม่พิสูจน์ก็ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นสงสัยเรื่องเหล่านี้ไปก็เป็นเรื่องที่ปวดหัวเปล่าสงสัยมากๆอยากรู้มากๆก็เป็นทุกข์อีกแต่ถ้าเราสงสัยเรื่องทุกข์มันพิสูจน์ได้ทันทีว่าเฮ้ยอะไรมันเป็นเหตุเกิดทุกข์อันนั้นเอาย้อนกลับมาที่ความสงสัยเอาสงสัยแล้วเราอยากรู้มากเลย แต่เราไม่มีเครื่องมือพิสูจน์สักทีหนึ่งไปถามคนนั้นถามคนนี้คนนี้ก็บอกว่ามีคนนี้ก็บอกว่ามีแตสุดท้ายมันก็ยังคาใจอยู่มันยังคําเพราะเราไม่ได้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองพอมันยังคาใจอยู่แบบนี้มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่พอมันเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าให้ให้เราหาเหตุเกิดทุกข์ใช่ไหมเพระเาะฉะนั้นเหตุเกิดทุกข์คืออะไรก็คือความสงสัย พอความสงสัยเกิดขึ้นก็คือความอยากรู้มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราเราอยากรู้ในสิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้ก็คืออยากรู้อยากได้ความรู้อันนั้นอยากได้ข้อพิสูจน์แต่เราไม่ได้มันก็เป็นทุกข์แน่นอนอยากได้สิ่งไหนแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราเห็นความอยากในใจแล้วเราก็ ดึงสติกลับมาไว้ที่ลงหายใจได้ความอยากรู้ความสงสัยอันนั้นมันก็ไม่ทําร้ายใจเราได้ต่อไปเพราะฉะนั้นถึงจะรู้ถึงจะไม่รู้มันก็ไม่ใช่ประเด็นเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรกับมันแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับความทุกข์ใจไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรคือเหตุเกิดทุกข์อันนั้นไม่งั้นแก้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นความสงสัยจริงๆก็ไม่ได้แก้กันด้วยความรู้ซะทีเดียวทุกอย่างมันก็อยู่ที่ว่าเรื่องไหนที่สมควรแก้ด้วยความรู้เรื่องไหนสมควรแก้ด้วยเรื่องความไม่ต้องไปใส่ใจกับมันปล่อยผ่านมันไปก็ได้ช่างมันไป เพราะฉะนั้นก็อยากจะย้ามีซักทีหนึ่งว่าเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์จำเป็นต้องรู้แก้ด้วยความรู้ความเข้าใจแต่เรื่องอื่นก็จะแก้ด้วยความรู้ก็ได้หรือแก้ด้วยเรื่องความไม่ใส่ใจกับมันก็ได้อย่างคนมีครอบครวยยัวเนี่ยนะ มีครอบครัวบางทีคุณภรรย า, า, า, าก็อาจจะอ้าสามีเราไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือเปล่าอันนี้เขพูดเปลยๆไว้เฉยๆนะคำๆขึ้นไปบางทีก็าอาจจะคอยแบบอยากรู้ว่าเขาไปไหนบ้างทำอะไรบ้างมีบ้านเล็กบ้านน้อยจริงไหมบางทีรู้ไปก็ทุบเปล่าๆ รู้ก็ทุกข์เพราะไม่รู้ก็ทุกข์อีกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีนะมันก็ต้องตั้งข้อคำถามขึ้นมาสักข้อหนึ่งก่อนว่าเราทำอะไรบ้างทาไมเขาถึงปันใจไ้ให้คนอื่นนะคนเรามันจะคบกนันจะแต่งงานกันมันก็ต้องได้ความรักของกันและกันมากสก่อนใช่ไมละ่ะทาไมเรา ถึงดํารงความรักความพอใจความยินดีดํารงใจของเขาอะที่เขาให้มาแล้วเอาไว้ไม่อยู่เพราะอะไรเราเป็นคนที่ไม่สม่ําเสมอไม่เสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าเราเป็นคนที่ขี้บน่นหรือเปล่าเราเป็นคน ไม่ดูแลเอาใจใส่กิจการการงานบ้านเรือนหรือเปล่าเรื่างนี้เป็นต้นนะแต่บางทีเราก็ลืมไปอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยบางทีก็จะลืมที่จะดูตัวเองไปด้วยคอยแต่จ้องจับผิดว่าเอาเข้าไปไหนอันนี้ไม่ได้พูดในฐานะว่าเข้าข้างผู้ชายนะอันนี้พยายามจะแก้ทุกข์ให้ถ้าเกิดเรามีทุกข์แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะแก้ทุกข์ให้กับใจเราอย่างไง ก็เหมือนอย่างที่บอกไปรู้ก็ทุกไม่รู้ก็ทุกเหมือนกันอย่างน้อยๆการที่เราได้สํารวจตัวเองมันก็จะทําให้เป็นบันไดเบื้องต้นที่เราจะปลดเปลื้องความทุกข์ให้ตัวเราซึ่งถ้าเราได้สํารวจตัวเองแล้วนี่จุดบกพร่องไม่มีเราก็ไม่ได้เป็นคนขี้บ่นอะไร การงานผิดรับผิดชอบดีดูแลเอาใจใส่เขาดีอย่างนี้เป็นต้นนะแสดงว่าอีกฝ่ายอาจจะไม่ดีก็ได้ถ้ามันไม่ดีเราอยู่กับคนไม่ดีทุกวันทุกวั น, วนมันก็เสี่งเหมือนกันนะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็มีอยู่สองทางเลือกนท่านั้นอยู่กันต่อหรือว่าเลิกกันไป แต่สมมติถ้ามันจะเลิกกันจริงๆสมมติ น, นะเลิกกันจริงๆก็เลิกกับคนไม่ดีมันเป็นเรื่องน่ายินดีจะตายเพราะคนไม่ดีมันก็มีแต่หาเรื่องมาให้เราอะนะปวดหัวเราจะเสียดายคนไม่ดีเอาไว้ทาไมใช่หเป็นเรื่องน่ายินดีที่ที่จะต่างคนต่างอยู่สบายกว่า อยู่แล้วก็ต้องคอยเห็นเรื่องที่ไม่น่าพอใจได้ยินเรื่องที่ไม่น่าพอใจจากเขาก็ดีหรือจากคนรอบข้างที่คอยมาพูดเอา้าไปเจอเขาตรงนั้นเขาทำตรงนี้เขาอยู่กับคนนั้นคนนี้แต่พอเลิกกันได้โอ้สบายขึ้นเบาไปเยอะอันนี้ก็ไม่ได้ยุให้เลิกกันนะแต่หมายถึงว่าเวลาที่ คนมันจะอยู่กันได้ด้วยความผาสุกเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่มันเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันมีทิฏฐิที่เสมอกันมีจาระค์ที่มันเสมอกันแล้วก็มีปัญญาที่มันเสมอกันซึ่งถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เสมอกัรเนี่ยอยู่กันไปก็มีแต่เรื่องเรื่องทุกข์ใจ ซึ่งถ้ายังไม่ได้ถึงกับขั้นที่จะต้องแตกหักเลิกร้างกันไปเนี่ยไม่รู้ไมู่ขึ้นสบายใจกว่าใช่ไหมละ่ะมันมันไม่จาเป็นจะต้องพิสูจน์อะไรก็ได้ก็จะมีไหมมันก็ห้ามเขาลาบากนะห้ามใครห้ามตัวเองยังยากเลยห้ามคนอื่นยิ่งห้ามยากสุดท้ายเรามีหน้าที่อะไรรักษาความดีของเราเอาไว้ ให้มันสม่ำเสมอไม่ทําไม่ดีไม่พูดไม่ดีแต่ไอเรื่องความคิดมันก็ลำบากมันทำยากแต่สิ่งที่จะจัดการกับความคิดได้ก็คืองานการงานภายในคือการงานที่เราจะดูแลรักษาจิตใจนี่ซึ่งถ้าเราดูแลรักษาจิตใจได้ดีความคิดที่มันจะเป็นอกุศลมันก็น้อยลง ความคิดที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นถึงแม้ว่าเขาจะไม่ดีจริงๆแต่เราก็จะไม่ได้คิดเบียดเบียนคนอื่นซึ่งค่านิยมคนสมัยนี้ก็ดูแปลกๆไปสะหน่อยนึงซึ่งเวลาเห็นใครทำไม่ดีหรือคนนั้นเป็นคนไม่ดีก็ชอบมีค่านิยมกันว่าพอคนไม่ดีเราทาอะไรกับเขาก็ได้ ด่าเขาก็ได้ทำร้ายเขาก็ได้มันมันมันก็เป็นค่านิยมที่ไม่ถูกนะการทำร้ายการการว่ากาันมันก็ไม่ถูกอยู่แล้ว่ยิ่งเราทําบ่อยๆผลที่ได้เนะี่ยมันไม่ได้ได้กับเขาอย่างเดียวมันก็เกิดกับกับเราแล้วมันเป็นผลที่กัดก่อนระยะยาวด้วยก็คือเราเสียเสียความดีงามของเราไป เสียคุณงามความดีของเราไปใจที่ดีก็โดนหย่อนสมรรถภาพลงไปการที่จะตอบโต้คนไม่ดีด้วยความชั่วด้วยความเลวเราก็ต้องเป็นคนชั่วคนเลวไงเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเราก็เสียความดีของเราไปแต่สิ่งที่มันสําคัญกว่าการที่จะตอบโต้ ด้วยความไม่ดีกลับไปให้มันสาสมแก่ใจวงเล็บกิเลสนะสาสมแก่ใจของกิเลสในใจเราสิ่งที่เราต้องทําก็คือรักษาความดีของเราไว้ให้มันมั่นคงต่างถึงเวลาพูดก็พูดถึงเวลาไม่ควรพูดก็ไม่พูดถึงเวลาที่จะต้องพูดถ้าพูดแล้วมันเป็นคําพูดที่ทําให้เฉพาะตัวเรานะทำให้โลภะโทสะโมหะราคะของเรามันเฟื่องฟูขึ้นมา ก็เบรกเอาไว้หยุดเอาไว้ระงับเอาไว้ซึ่งอันนี้มันมันก็อยู่บนพื้นฐานของการที่เรามีสติคอยรักษาใจสมัยอย่างที่เรากําลังฝึกอยู่นี่แหละคอยมีสติเห็นใจเรื่อยๆอย่างกระบวนการที่พูดมาเมื่อสักครู่เียมันก็มันก็ออกมาจากนี้แหละออกมาจากพื้นฐานตรงนี้แหละ ถึงถ้าเรามีพื้นฐานตรงนี้ดีกระบวนการต่างๆเหล่านี้มันก็พอที่จะพัฒนาให้มันเกิดขึ้นได้เพราะนั้นก็ให้คอยพยายามฝึกต่อไปเรื่อยๆฝึกมันก็ฝึกง่ายๆแบบนี้แหละแค่คอยมีสติกลับมาไว้ที่สติเฉพาะหน้า คอยเห็นกายอันหนึ่งคอยเห็นใจอันหนึ่งไปด้วย